ถ้าเราก็ศาธยายคําสอนสําคัญในพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเป็นเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนก็ได้โดยเพราะนะั้ตอนที่พูดถึงเรื่องทุกขนะ์การเกิดก็เป็นทุกขนะ์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แล้วก็ชิ้จามาอีก ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับเคลนใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดผ่าจากสิ่งที่เราคิดพอใจปอดหนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนต้องผ่านแล้วก็ต้องเจอความเกิดนี่ก็ผ่านไปแล้วแต่ก็ต้องเจอ ความแก่ความตายระหว่างนั่นก็ต้องเจอกับความโศกความรำแมลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแทนใจเออเพราะเนี่ยความความทุกข์ของมนุษย์ที่จริงก็สรุปได้ด้วยนะสามข้อความต่อจากนั้ น, นประสบกับสิ่ง ที่ไม่รักพัดพลาจากสิ่งที่รักความทุกคนเราเนี่ยชื่ว่าโศกความโศกความร่ำไรลาพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจเขาแข้งใจเนี่ยสามารถเกิดจากอะไรก็สองข้อนี้เนี่ยเป็นหลักก็คือพบกับสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่รักก็มีมากมายความเจ็บความปวด ความต่อว่า ด, าด่าทอตีฉินนินทาความล้มเหลวความไม่สมหวังแดดร้อนอากาศหนาว้พวกนี้คือสิ่งที่ไม่รักนะไม่พอใจทางชื้นแฉะมแมลงรบกวนรถติดเนี่ยพวกนี้อันนี้สรุปรวมเรียกรวมว่าเนี่ย ปรสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็อีกอันนึงคือพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจเงินทองทรัพย์สมบัติของหายเงินถูกขโมยถูกโกงหรือว่าตกงานถูกปลดจากตำแหน่งรวมทั้งคนรักทิ้งไป หรือแม้ก็ตายจากไปรวมทั้งการังวังชาที่ได้สูญหายไปเมื่อมีอายุมากขึ้นรวมทั้งความสวยความงามความหลอ่อชื่นคนเราความทุกงคนเราทั้งโลกนี้เจ็ดพันล้านคนเรียกว่า9กสก้าปอร์เซ็นของความทุกข์ ก็เก MM. ิดจากสองข้อนี้แหละส่วนข้อที่สามนี่ก็เรียกว่าพ่วงเข้ามาก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะไม่สำคัญก็สองข้อแรกนั่นคือปรจฉนาสิ gedaan. ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นปรจฉานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็อล้วเรียกว่าเจอกสิ่งที่ไม่รักก็ได้อยากได้แต่ไม่ได้ก็คือประสบความผิดฟังนั่นเอง อันนี้เรีว่าเป็นเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนนะ ช, ชื่อว่าทุกข์ทุกขนะ์เนี่ยมันมันมีหลายความหมายนะถ้าทุกข์ในความหมายที่ว่าเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนะไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยอันนี้บางทีเราก็เรทุกข์ในอริยสัจ ในสัตว์สีเนี่ยที่ว่าทุกเป็นตัวแรกเนี่ยก็หมายถึงอันนี้ทุกในสัตว์แต่มันมีทุกอีกตัวหนึ่งนะเมืเ่อทุกในไตรักในใจรักนี่มีนิจจังทุกขังนัตนตาัางเชื่อสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกสังขารทั้งปวงนี่ก็รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหมดเลยยกเว้นแค่นิพพานนั่นแหละซึ่งนิพพานนี้ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าไม่เคยเจอเจออยู่แล้วก็อาจจะตัดทิ้งไปได้ทุกอย่างที่มนุษย์รู้จักคุ้นเคยเมื่อรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยโดยจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกในความหมายนี้เนี่ยหมายถึงว่า มันอยู่ในมันเป็นสิ่งที่บกพร่องไม่สมบูรณ์เต่ไม่ได้ความขัดแยง้งบีบคั้นภายในไม่ใช่หมายถึงความโศกความร่ำไรลาพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแฉนใจนะเพราะว่าก้อนหินภูเขามันมันไม่มีความโศกความร่ำไรมพันธ์อยู่แล้วรถยนต์บ้านเรือน มันก็ไม่มีความโศกความร้ายรมพันอยู่แล้วแต่ว่ามันเต็ไมไปด้วยความบีบคั้นขัดแยง้งกดดันืั้งจากสิ่งภายนอกเช่นความชื้นความดันแดดลมฝนแล้วก็มีความขัดแย้งข้างใน เพราะว่าองค์ประกอบที่ที่มาประกอบเป็นตัวมันเนี่ย่างก็จะเสื่อมสลายแปรปรวนมันก็เลยทำให้เกิดควา ม, มเรียกว่าอะไรปั่นป่วนข้างในก็ได้ความไม่สเสถียรความไม่สเสถียรซึ่งพร้อมจะกลายเป็นความความเสื่อม มันก็เหล็กเนี่ยนะแข็งแรงแต่ว่าทิ้งไปนานๆาาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นส้นนิมแล้วก็เริ่มผุแล้วก็พังอันนี้เพราะว่ามันมีความความบีบคั้นความกดดันทั้งจากข้างนอกและข้างในเห็นไหว่าเรามองไม่เห็น แล้วก็ใช้เวลาอาการที่แสดงออกมาก็ปรากฏมาทีละนิดทีละนิดผ่านไปสักปีสองปีก็อ่วมันกลายเป็นเสศจเหลืออันนี้ก็ว่าเป็นทุกข์ในอยรักนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกโศกร่ำแรงรำพันก็ตามแต่ไม่ค่อยเปื่อยค่อยยุ่ยนี่เรียกว่าความเสื่อม และที่มันเสืออ่อมเพราะมันมีการมีภาวะของความไม่เสถียรความขัดแยง้งความกดดันอยู่อันนี้อาจจีบางทีเราใช้คําว่าเป็นตัวทุกข์ที่สราสอนเมื่อกี้เนี่ยบอกเมื่อกี้บอกว่าความแก่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เสรแล้วมาติดท้ายด้วยว่า ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกอันนี้หมายถึงทุกในไตรลักษณ์นะขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกหมายคะว่ามันเป็นสิ่งที่พร่องเป็นสิ่งที่ไม่เถียดเป็นสิ่งที่สูกกดดันขัดแย้งปรองยาให้ดีในะระหว่างความเกิดเป็นทุกข์กับ นั่งห้าเป็นตัวทุกอันนี้มันทุกคนละตัวนะความเกิดเป็นทุกนีทุ ก, นทกนในริสัตแต่ว่าเป็นตัวทุกนี่คือทุกในไตลักถึงแม้แต่ถึงแม้มันจะความหม า, ายจะแตกต่างกันนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าไอ้ที่แกแล้วเป็นทุกนะไอ้ที่แกนี่ก็เกิดจากการที่มันเป็น การที่เราแก่เนี่ยก็เพราะาร่างกายของเราเนี่ยมันโดยเพราะในส่วนรูปธรรมเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ก็คือมันมันไม่เสถียรมันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในตั้งแต่จนถึงระดับเซลเลยเนี่ยตอนหลังนักวิทยาเนี่ยเมื่อเขาค้นพบเข้าไปถึงโครงสร้างภายในของเซลก็เพาอมไม่เสถียรเลย มันมีความขัดแย้งต่อสู้ข้างในระหว่างโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนีอิเล็กตรอนก็เตียมจะวิ่งยพยายามหาทางออกมาให้ไป็นอิสจากนิวเคลียสก็บีงอย่างเนี้ยแล้วก็มันก็วิ่งวนรอบแล้ววันดีคืนมันก็หลุดออกไปส่วนนิวเคลียสโปรโตอนก็พยายามยื้อยุด ขัดยกข้างนในเพราะว่ามันเป็นกระแสบวกเหมือนกันโปรตอนจะเป็นบวกใช่ไหมแล้วก็สารต่างๆเนี่ยธาตุต่างๆก็มีหลายโปรตอนไฮโดรเจนหนึ่งโปรตอนฮีเลียมสองโปรตอนมันก็เพิ่มจากสองเป็นสามสามเป็นสี่ยิ่งไปถึงยูเรนเนียนี่มีต้องเท่าไหร่เก้าสิบสองก้าสองโปรตอนมันบวกทั้งน้นก็ต้องทําผลักกันมันพยายามผลักออกจากกันเพราะบวกมันผักบวก แต่มันยังคงรูปอยู่ได้เพราะมันมีแรงยึดนะฝรั่งเรียกว่าวิทยาศาสตร์เรียกว่าวิฟอ r ์วิฟ o ส์ส o รองคือแรงแรงอ่อนกับแรงหนักที่มันยึดโปรตอนเอาไว้ให้เป็นอยู่ในนิวเคลียสแต่เมื่อมีการเสื่อมสลายมาเป็นการแถกกรรมตรังสีนี่นี่ก็เป็นผลมาจากการที่มันไม่มีความสเสถียร นี่พอศึกษาไปนี่นะักวิาเพรฮอมันใช่นะแม้กระทั่งในระดับในระดับในระดับเซลลในระดับอะตอมนี่มันมันเป็นทุกเลยนะมันเป็นทุกเลยก็คือมันพยายามที่จะแตกกระจายออกจากกันมันมีความไม่สเสถียรอยู่ข้างในอันนี้เรียกว่าทุกนะและถึงใช่ว่าความไม่สเสถียรแล้วมาเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ในร่างกายของเรา ทุกเซลล์ทุกอวัยะวะทุกเนื้อเยื่อเพราะเป็นตัวทุกนี่แหละมันถึงเกิดแปลสภาพ ม, มาเป็นความแก่ความเสื่อมแล้วก็ความเจ็บป่วยพอเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ตายเลยเืก็แตกดับถ้าแตกดั บ, แ ต, ดบแตกสลายหยืนน้ําลมไฟเกาะกันไม่อยู่แล้วคุมกันไม่อยู่ก็กลายเป็นอะไรเน่าเปื่อยไป ขึ้นสูสธรรมชาตินั้คํอว่าว่าเดียวจะเาปัญทั้งห้ า, า, าเป็นตัวทุกข์นี้ให้เข้าใจว่ามันมันมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะไม่เกี่ยวกับคนไอตอนแก่เนี่ยต้องคิดว่าเราแก่นะเราเจ็บเราตายความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เราเราโศกเรา เรามาราณ์รำพันเราไม่สบายกาเราไม่สบายใจอันนั้นพอพูดได้แต่พอว่าเรื่องอุปสรรคขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่มีเราแล้วมันเป็นแต่เรื่องของขันมันเป็นแต่เรื่องของธาตุไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาตรงนี้มันเป็นสภาวะที่เราเป็นความจริงขั้นปรรมัตยคืออยู่พ้นความเป็นเราเขา แล้วทำไมถึงมาละถึงมาปิดท้ายตรงนี้นะหลังจากที่พูดความทุกข์มาสิบเอ็ดอาการแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนี่ยว่าเดี๋ยวจะอุปทานขันธ์ทห้าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าไออาการทั้งสิบห้าทั้งสิบเอ็ดอาการเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากมันก็มีที่มามาจา ก, กตัวนี้แหละก็คือขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มันก็เลยแปลสภาพออกมาเป็นความแก่ความเจ็บความตาย ก็เลยแปรสภาพเป็นความพัดพร่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยมันก็อยู่ในฝ่ายรูปปักขันมันก็เป็นตัวทุกข์มันก็เลยเสื่อมเสื่อมก็คือเสียไปรถก็เก่าตัวทรัพย์ก็พังอันนี้เพราะว่ารูปเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะมันก็เลย โทรศัพก็เลยเสียนาฬิกาก็พังรถก็ต้องซ่อมใครที่เจอเหตุการณ์ น, นี้ก็ทุกข์สิ่งอันนี้เรียกว่าประสบกับสิ่งไม่ไมรักไม่พอใจล้ประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจคือรถเสียรถพังและต่อไปมันก็หายไปก็กลายเป็นความพัดพรากนะพัดพรากจากสิ่งที่รักไปรวมทั้ง ขันห้าที่ปรากฏออกมาเป็นร่างกายและจิตใจคนที่เรารักมันก็เสื่อมไปป่วยแล้วก็ตายพอตายก็เรียกว่าเกิดความพัดพลาคจากสิ่งที่รักที่พอใจพัดพราดจากคนรักมันก็ทุกข์เลยนะก็โศกรำลายลำพันธุ์ทุกขโทมานัสแล้วก็คับแทนใจ ให้เขา้าใจว่าที่เขาว่าที่มาปิดท้ายตัวที่สิบสองเนี่ว่าว่าโดยโยบา น, ขนาขันทังเป็นตัวทุกเนี่ยมันคือตัวสรุปทั้งหมดว่าทําไมไอ้ไอ้ความทุกข์สิบเอ็ดอาการจึงเกิดขึ้นได้ผู้ย่างก็เพราว่าเมื่อมีทุกในไตลักมันก็เลยเกิดทุกในอริยสัจอันนี้ขันทั้งห้ า, าเป็นตัวทุกเนี่ยแล้วทําไมมีคำว่ า, าอุปาทานขันด้วย เพราะว่าขันทั้งห้าเนี่ยมนุษย์เราชอบไปยึดปตุตตชนไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อขันห้าถูกยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยชื่อว่าอุปาทานขันถ้าไม่ไปยึดนะมันก็เป็นขันเฉยๆเมือนกัหินเนี่ยมันก็อยู่มาอย่างนั้นแหละเราเรกเราก็เรียกว่า มันก็เป็นรู ป, ปรขันนั้นหนึ่งก้อนหินนะนะแต่พอไปว่าเป็นของกูของเราเนี่ยไอ้ก้อนหินนั้นมันก็เลยเป็นรูปที่ถูกยึดมั่นอันนี้อเรื่รูปูปาทานขันโทนี่การที่พอไปยึดข้าวเราเกิดอะไรขึ้นไอ้คนยึดน่ะทุกข์เลยแต่ก่อนเนี่ย หินมันทุกเฉยๆคือมไม่สเสถียรมันมีความขัดแยง้งอันนี้เป็นธรรมดาของมันแต่พอไปยื้หินเป็นของเราเราก็เตรียมทุกข์ได้เลยเพราะว่าพอมันเสื่อมพอมันแปลสภาพไปหรือพอมันแตกไปเราซึ่งไปยึดมันว่าเป็นของเราเราก็ทุกข์เราก็เสียใจล้วก็ขับแคนใจอันนี้เข า, าทำใจเพี่ะบอกว่า ขันทั้งห้าเนี่ยมันมีความบีบคั้นอยู่ข้างในมีความกดดันอยู่ข้างในอย่างที่พูดไปแล้วแต่พอเราไปยึดมันเข้ามันก็กลายเป็นสิ่งที่บีบคั้นเราแทนบีบคั้นอะไรบีบคั้นใจคือพอมันเสื่อมพอมันเสียไปแล้วก็ปวดร้าวจิตใจ ผู้ว่อหินอา จ, จะมันไม่ชัดก็เป็นทองก็ได้นะเป็นเพชรก็ได้ทองหรือเพชรเนี่ยมันก็มีความขัดแยง้งกดดันอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่พอเราไปยึดมั น, เ, นเกิดอุปทานขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็สามารถจะบีบคั้นเราได้คือพอมันเสื่อมไปพอมันเสียไปหรือว่า แตกหักไปจิตใจแล้วก็เหมือนกับถูกมือนก็จิตใจก็แตกสลายไปด้วยยิ<ม>่งไปยึดมันมากเท่าไหร่ก็แตกสลายได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยทื่ว่าอุปทานขันเป็นตัวทุกเนี่ยมันก็เลยมีความหมายเช่นนี้ว่ามันมีความบีบขั้นภายในและมันก็สร้างความบีบขั้นให้แก่ผู้ที่ยึดถือมันด้วย แต่ถ้าไม่ไปยิดถือมันก็ไม่มีใครทุกข์นะก็มีแต่ก้อนหินหรือว่าทองเพชรที่มันก็จะเสื่อมสลายไปอันนี้ท่าถึงใช่คำว่าอุปาทานขันนะเพราะว่าความแก่ความเจ็บควา ม, วามตายความโศกความเศ้าลำพันไม่สบายการไม่สบายใจนะความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รัก พัฒนาเกษที่รักแล้วทุกข์ก็เพราะมันมีความไปยึดติดถือมั่นนะกับขันก้อนหินเนี่ยหินก้อนหนึงเนี่ยถ้าเราไม่ไปถ้ามันเฉยเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีใครทุกข์แต่พอไปแบมันเข้าเนี่ยไอคนแบมันทุกข์เลยนะคือมันหนักมันหนักคำว่าเป็นตัวทุกข์ความหมายก็คือว่ามันเป็นของหนักก็ได้ หินเป็นของหนักแต่ถ้าไม่มีใครไปแบกมันมันก็มมีใครทุกข์ไม่มีใครรู้สึกหนักนเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาจะไปโทษหินก็ไม่ได้นะเพราะว่าหินมันก็หนักของมันอยู่แล้วเต้องโทษตัวเองว่าเราไปแบกมันทำไม และการที่ไปแบกนั่นแหละมันจึงเป็นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตรงนี้เรียกว่าสมุดไทยก็ได้สมุดไทยคือแห่งทุกเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองว่าแห่งทุก์ก็คือหินนะแต่แตห่งทุกคือการที่ไปแบกหินนะอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีคนภายนอกเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ ทุกข์ก็เพราะว่าหินมันหนักคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาทุกข์ก็จะถามว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเยอะที่ทํางานปัญหามีมากมายสารพัดมีปัญหาครอบครัวมปัญหาชีวิตทําให้ทุกข์คนส่วนใหญ่ผู้แบบนี้ทุกข์เพราะว่าเจ้านายไม่เป็นธรรมงานก็ล้มเหลว ธุรกิจก็ไม่ดีนี่ก็มากแล้คนนเร็กเรกว่าปัญหาคนบอกว่าทุกข์เพราะปัญหาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาบอกว่าทุกข์เพราะไปยึดปัญหาต่างหาถามว่ามันยึดด้วที่หนังยทีใ่ใจอะไรยึดก็คือใจไปยึดสมุตทายของคนแห่งทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยมอนเหมือนคนอื่นนะ คนอื่มองว่าเราทุกข์เพราะสิ่งภายนอกทุกข์เพราะเขาด่าเราทุกข์เพราะเขาแกล้งเราทุกข์เพราะเขาเอาเปรียบเราทุกข์เพราะมีสินทุกข์เพราะรัเสียทุกข์เพราะเงินหายพวกนี้ภายนอกทั้งนั้นก็มันก็บ่รทุกข์เพราะหินน่ะทุกข์เพราะหินแต่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์เพราะไปแบกหินลังหาหินนึงหินมันก็เป็นของมันไงคือมันหนัก แต่ถ้าไม่แบบ ก, ก็ไม่ทุกใช่ไหมานทางออกผู้ศาสนาคือว่าให้วางใรับหให้ลดให้วางไม่มีความมั่นถือมัน่นไม่ใช่ไปเปลี่ยนหินให้มันกลายเป็นนุ่นหินมันก็หนักประมางนี้ทั้งปีทั้งชาตินะจะไปขอร้องให้มันเบาจะไปเปลี่ยนไม่ให้เป็นนุ่นก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราวาง นี่ไม่ทำให้คนเราทุกข์นะนี่สิ น, น <c oughs> แต่ว่าที่เราทุกขเข้าไปแบกนี่เอาไว้คิดถึงมันตลอดเวลาลูกก็ไม่ทำให้เราทุกข์นะแต่พอเราไปแบกลูกเอาไว้ถึงทุกข์ลูกสอบเข้าหมายอะไไม่ได้สอบตกก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่พอไปเราไปยึดมั่นถือมั่นมาต้องสอบให้ได้ต้องเข้าให้ได้ ก็คือไปเรื่องความคาดหวังไปเรื่องความยึดมั่นถือมัน่นตรงนี้แหละคือสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์นั่นการที่เจ้าตาว่าเนี่ยอุปทานขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะก็คือก็คือเพื่อให้เราจะได้ไม่ยึดมั่นมัน เนี่ยมันเป็นทุกข์มันก็เป็นของหนักมันก็เป็นเป็นของแหลมมันก็เป็นไฟก็จะไปยึดมั่นมันก็เป็นตัวทุกข์เนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นของหนักเป็นของแหลมเป็นของร้อนก็คือมันมีความไม่สมบูรณ์มีความไม่เสถียรก็เลยเปี่ยนมันก็เป็นของหนักของพร่องของร้อนไปเมื่อรู้เช่นนี้แล้วสิ่งที่เราควรทาก็คือไม่ไปยึดไม่ไปแบกไม่ไปถือมันเอาไว้ เกี่ยวข้องกับมันนะโดยที่ไม่ไปยึดถือมันไม่ใช่ทิ้งมันไปนะก็ก็เกี่ยวข้องกับมันแต่ว่าไม่ไปยึดมัน่นไม่ไปแบกไว้ในใจมีหนี้ก็ต้องจ่ายมีร่างกายก็ต้องดูแลแต่ไม่แบกบนี่ไว้ในใจไม่ไปยึดร่างกายว่าเป็นของกูของกูคือหน้าที่ที่มีก็ต้องทำแต่ว่าใจนี่มันวาง ใจ ม, มีความยึดมั่นถือมัน่นเพอรู้ว่าถ้าไปยึดมันความทุกข์ของมันก็บีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์ฉะน้นสองข้เข้าใจใดีนะเรื่องว่าที่เราสวดเพอสวดกันมาทุกวันทุกวันเนี่ยรื่งแล้วก็แยกเข้าใจชัดระหว่างทุกในอริยสัจกับทุกในไตลักว่ามันมันคนละอันกัน แต่ก็ไม่ได้แยกจากกันนะมันเกี่ยวเนื่องกันในทุกในใจรังนี้ถ้าเข้าใจมันก็ไม่ทําให้เกิดทุกข์ในอริยสัจเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่ามันเป็นของร้อนเป็นของหนักเป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เสถียรก็อยู่เต็มด้วยความพร่องก็อย่าไปยึดมันเอาไว้เข้าใจว่ามนันของที่ยึดไม่ได้เมื่อ เข้าใจทุกในไตรักษณเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกเลยนะมันก็ไม่เกิดทุกในอริยสัจนี่หลวงพ่อคำเข่งบอกว่าเนี่ยเห็นทุกก็พ้นทุกนะเห็นทุกเนี่คือเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกขังเห็นทุกอย่างเป็นทุกขังเห็นทุกอย่างเป็นตัวทุกเห็นทุกอย่างเป็นของหนักเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นมันก็พ้นทุกเพราะว่าไม่แบก ไม่ยะไม่ไปถือมันต่อไปเห็นทุกเนี่ยี่คือเห็นทุกในตายรักก็พ้นทุก็หมายถึงทุกทุกในสัตว์แต่ใหม่ๆเนี่ยยังยังไม่เห็นทุกอย่างเป็นทุกในตายรักนะก็เอาว่าเห็นทุกที่มันเป็นทุกในสัตว์ก่อนก็ได้ก็คือว่าเห็นความเจ็บความปวดเห็นความโกรธเห็นความ ขุณนเครื่องที่มันเกิดขึ้นในใจเห็นความปวดที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้เห็นด้วยสตินะมันปวดก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันมันโกรธก็เห็นความโกรธไม่ไปทุกโกรธอันนี้เราเห็นด้วยสติมันก็จะพ้นทุกข์แต่เป็นพ้นทุกข์ชั่วคราวเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งป่วเป็นทุกข์อย่างที่สเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเราดูคด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยอันนคือทุกข์ในไตรลักษณ์นี่ต้องเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ตรงนี้แหละถึงจะเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาเนี่ยดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยเมื่อเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ไงนะ มันก็หมดความปรารถนาหมดความปรารถนาเนี <Komm> a, <les> ่ยเป็นผู้หมดหมดสิ้นซึ่งความปรารถนาเมื่อไม่ปรารถนามก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์หมดสิ่งปรารถนาเนี่ยหมดสิ่งปรารถนาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่น่าปรารถนาสักอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นก็เลยวางพอวางก็พ้นทุกข์เลย อาชาญยูนี้นะ